วันนี้เป็นวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2565เป็นวันที่ท่านทั้งหลายผู้มีจิตฝ่าธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติตามคำสั่งคำสอน ของพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเลิศโลกที่ไม่มีใครที่จะสามารถเทียบเท่าได้การที่เรามีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า และในพระอริยสงสาวุปของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราได้มีการเชื่อมต่อกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราไม่มีศรัทธาเราก็จะไม่มีความเชื่อมต่อ กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราไม่มีการเชื่อมต่อเราก็จะไม่มีการได้รับประโยชน์จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองดังนั้นสิ่งที่สําคัญระหว่างเรากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเอง ศรัทธาก็คือความเชื่อเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงตัดสรู้พระธรรมอันประเสริฐที่สามารถที่จะนำผู้ที่ได้พบได้รู้ได้เห็นพระธรรมอันประเสริฐนี้ได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวืนว่ายตายเกิดได้และเชื่อว่า ำคขาทคสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่จะสอนให้ผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้และศรัทธามีความเชื่อในพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธ พระเจ้าและพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและได้ศึกษาและได้ปฏิบัติจนสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวนว่ายตายเกิดได้นี่คือหลักการของความเชื่อในพระพุทธศาสนาคือให้เชื่อ ในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอริยสงสาวกุกะดีว่าเป็นคําสั่งคําสอนที่จะนำพาผู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามนั้นได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแน่นอนนี่คือศรัทธาที่พวกเราชาวพุทธ ควรจะมีกันมีในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พยายามศึกษาพ ร, พระธรรมคาสั่งคาสอนทั้งของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายแล้วพยายามปฏิบัติตามคาสั่งคาสอนเหล่านั้น<ๆ>เพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดได้ นี่คือความหมายของคำว่ามีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในการถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งคือพึ่งความรู้ของพระพุทธเจ้าพึ่งความรู้ของพระอริยสงสาระเนื่องจากว่าพวกเรายังไม่มีความรู้ที่จะพาให้เรา ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เราเลยจำเป็นจะต้องพึ่งคนที่รู้ทางคนที่ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเท่านั้นถ้าเราอยากจะไม่ต้องการกลับมาเกิดอีกถ้าเราเห็นว่าการมาเกิดนี้เป็นการมาหากองทุกข์เพราะว่าเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีความแก่ มีความเจ็บมีความตายมีการพลาดพาจากกันซึ่งเป็นความทุกข์ทั้งนั้นที่ไม่มีใครอยากจะพบเจอกันถ้าเราไม่อยากจะพบเจอกับความทุกข์เหล่านี้เราก็ต้องไม่กลับมาเกิดเท่านั้นเพราะจากใดถ้าเรายังมีการกลับมาเกิดอยู่ถึง แ, แม้จะได้มาเกิดในที่ดีที่สูง แต่ก็ยังไม่พ้นจากความทุกข์คือความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายของการพัดพราดจากการนี้ย่อมมีกับทุกทุกคนที่มาเกิดั้นถึงแม้ ว, ว่าจะกลับมาเกิดดีมันก็ยังเป็นความทุกข์อยู่นั่นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ไม่ทุกข์ก็คือการไม่กลับมาเกิดเท่านั้นยงที่มี พระธรรมที่ทรงตัดไว้ว่าทุกย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นกราบใดถ้ายังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่กับทุกทุกคนตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์ลงมาจนถึงคนขอทางข้างถนนนวนจะต้องเจอความทุกข์แบบเดียวกันทุกคน ทุกเพราะความแก่ทุกเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกเพราะความตายทุกเพราะการพัดผ้าจากกันนี่คือศรัทธาที่ชาวพุทธเราควรจะมีกันให้มีศรัทธาในการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายทายเกิดเท่านั้นอย่าไปมีศรัทธากับการที่จะ ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยลาบส ก, การะคือลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขอำพรางความทุกข์เอาไว้เพราะว่า ความสุขเหล่านี้ไม่สามารถที่จะไปยับยั้งความทุกข์ของความแก่ของความเจ็บของความตายของการพัดพลาดจากกันได้มีเพียงแต่การไม่เกิดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะสามารถยับยั้งความทุกข์ที่จะเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดจากกันได้เท่านั้นเอง เราจึงต้อง <c oughs> มีศรัทธาในที่ในผู้รู้จริงเห็นจริงในผู้ที่ได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเท่า น, นั้นเราจึงต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่ได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วนอกกนั้นแล้วบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็น มนุษย์หรือเทวดาอินพรมก็อย่าไปศรัทธาอย่าไปพึ่งเป็นสรณะเพราะบุคคลเหล่านั้นเขายังไม่สามารถทําตัวของเขาเองให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วเขาจะมาสอนให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไร นี่คือศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้มีศรัทธาความเชื่อแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นพระสงฆ์ก็ต้องเป็นพระอาริยสงฆ์ที่เราสวดในบทพระสังฆกุลคือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนเท่านั้นผู้ที่ได้บรรลุ มักสีผลสีนิพพานหนึ่งตามลาดับของการปฏิบัติท่านเหล่านี้จะเป็นผู้ที่เป็นที่พึ่งของเราได้ถ้าเราไปพึ่งพระถึงแม้จะเรียกว่าสงฆ์แต่ก็เป็นสงฆ์เพียงแต่ชื่อคือไม่ได้เป็นอริยสงฆ์เป็นปุถุชนสงฆ์เป็นผู้ที่ยังถูกความ โมหะอาวิชชาครอบงำจิตใจที่พาให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าไปศึกษากับพระที่ยังมีโมหะอาวิชชาครอบงำจิตใจยอยู่ก็จะถูกให้เขาสอนให้หลงอยู่ติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆ ต้องศึกษาจากพระอริยสงสารโลกท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่จะนำพาให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดได้อย่างแท้จริงถ้าเราไม่สามารถที่จะพิจารณาว่าพระรูปใดเป็นพระที่หลุดพ้นแล้วเป็นพระที่ ที่เป็นพระอาริยสงฆ์แล้วถ้าเรายัางไม่มั่นใจหรือเราไม่รู้เราก็ต้องไปพึ่งบุคคลที่เรามั่นใจซึ่งเราก็มีพระพุทธเจ้าของพวกเราเนี้แหละเป็นบุคคลที่พวกเราทุกคนมีความมั่นใจว่าเป็นผู้ที่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว เราก็ไปพึ่งพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ากันก่อนถ้าเรายังไม่สามารถที่จะไปแยกแยะได้ว่าพระรูปไหนเป็นพระอริยะหรือไม่เป็นพระอริยะเราก็ต้องไปพึ่งผู้ที่เรามีความมั่นใจว่าเป็นผู้ที่ได้หลุดพ้นแล้วก็คือพระพุทธเจ้านี่เอง และคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นคำสั่งคำสอนที่ที่เป็นความจริงเป็นคำสั่งคำสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงพอได้รับการรับรองจากพระอหรหันตสาวกห้าร้อรูปหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสเสด็จดับขันธปัญญิพานไป สามเดือนด้วยกันก็มีพระมาหากัสสปะพระมาหาเทระได้เรียกประชุมพระอหรหันต์ทั้งห้าร้อรูปด้วยกันให้มาช่วยกันทบทวนคำสั่งคำสอนที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลา 45, สี่สิบหพรรษา ด, ด้วยกันว่ามีส่วนไหนที่ บกคร่องมีส่วนไหนที่เกินจากความเป็นจริงเกินจากที่พระองค์ได้ทรงได้ตัดไว้หรือไม่เพราะในยุคนั้นสมัยนั้นไม่มีเครื่องบันทึกเสียงเหมือนสมัยนี้สมัยก่อนนั้นต้องอาศัยความจำของพระภิกษุที่มาบวชในพระพุทธศาสนากัน องนั้นก็จําพระสูตรนี้องค์นี้ก็จําพระสูตรนั้นจันหัดจํากันหัดมาท่องกันซึ่งเป็นอุบายวิธีที่มีประโยชน์สองประการในการท่องจําคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าประการแรกก็คือเป็นการอนุรักษ์คําสั่งคําสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ไม่ให้สูญหายไปไม่ให้จางหายไป และประการที่สองก็เป็นการเจริญสติเป็นการฝึกสมาธิของผู้ที่ยังกําลังหัดเจริญสมาธิเจริญสติอยู่การท่องจำํำพระสูตรต่างๆหรือพระธรรมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าในสถานที่ต่างๆนั้นเป็นการเจริญสติเป็นการช่วยทําให้ เวลาไปนั่งสมาธินั้นจะทำให้จิตสงบได้ง่ายจึงเป็นความนิยมในสมัยพุทธกาลหลังจากที่ได้ยินได้ฟังทำหรือถ้าไม่ได้ยินได้ฟังทำได้ตนเองก็ไปศึกษาจากพระอาจารย์ต่างๆที่ได้ยินได้ฟังและได้จดจำกันเอาไว้แล้วก็เอามาท่องจำกัน เราจะได้ประโยชน์สองขั้นตอนได้ประโยชน์กับตนเองสองส่วนด้วยกันโดยได้สติสมาธิและก็ได้ปัญญาความเห็นชอบด้วยเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นปัญญาร่วนๆเป็นคำสอนที่จะนำให้ผู้ที่ได้รู้ได้เข้าใจนี้นำมาไปดับความทุกข์ต่างๆได้ ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ผู้ที่ได้จดจำไ ด, ได้ได้ศึกษาก็จะได้ประโยชน์ทั้งระดับสติสมาธิและปัญญาแล้วก็ทางาศาสนาทางส่วนรวมก็จะได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์คำสอนอันประเสริฐไม่ให้สูญหายไปตลอดระยะเวลาส5หปีที่พระเจ้าทรงสแสดง ประกาศพระธรรมเทศวพระธรรมคำสั่งคำสอนให้แก่สว์โลกนะก็มีจำนวนมากมายและมีผู้จดจำกันมากมายทีนี้ยังไม่มีการมารวบรวมมาทมาการขัดเกลามาการซักฟอบมาการแยกแยะว่าความจำของใครถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ต้องอาศัย ผู้ที่รู้รมผู้ที่เข้าใจทมอย่างลึกซึ้งก็คือพาอา ร, าาระอรหันตานั้นเพาาราะพาระอรหันต์นี้ท่านเข้าใจเรื่องมรรคแปเรื่องอรยะสัจสี่เรื่องไตรลักษณ์ซึ่งเป็นธรรมที่สำคัญในการที่จะนำพาผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดได้ มาเป็นผู้ขัดเกลวเรียกว่าเป็นการสังคายนาพระธรรมคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้ทรงเสด็จ ด, ดับขันธปังคินิพานไปแล้วสามเดือนพระมาหากัสปะก็เรียกประชุมเอาแต่พระอรหันทรนั้นมาเป็นผู้ขัดเกลาไม่เอาพระระดับอื่นเข้ามาเพราะ ถึงแม้ว่าจะเป็นพระอริยบุคคลเช่นพระโสดาบันพระสกิฎาคาพระอนาคานิก็ยังถือว่ายังไม่สมบูรณ์ความรู้ในเรื่องของการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ยังมีไม่สมบูรณ์กําลังก้าวไปสู่จุดสมบูรณ์ตามกําลังแห่งการปฏิบัติของตนอยู่จึงไม่ได้นิมนต์พระที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต เลอเอาพระอรหันต์และก็เลือกเอาพระที่มีความใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าเช่นพระอานนุ์พระอุบาลีพระอุบาลีนี้ท่านชํานาญทางด้านพระธรรมวินัยส่วนพระอานุ์นี้ท่านชํานาญในเรื่องของพระสูตรคือการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าตามวาระต่างๆ ต, ตามสถานที่ต่างๆ เพราะว่าพระ อ, อนุนี้มีเป็นผู้ฝ่รู้ไฝ่ศึกษาอย่างแท้จริงทรงได้ขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าว่าถ้าพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่ไหนแล้วพระ อ, อนุนไม่ได้ติดตามไปด้วยขอให้พระพุทธเจ้าทรงกลับมาแสดงให้กับพระ อ, อนุนฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะาพระ อ, อนุนนี้จะพยายามจดจำเอาไว้ อย่างพระอานน์นี้ถือว่าเป็นเหมือนกับพระไตรปิฎกเคลื่อนที่ท่านเป็นผู้ที่ได้จดจําคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นจํานวนมากด้วยกัน mm hmm. ถึงเวลาที่จะต้องมีการสังขยาานาวันนั้นพระอานุนก็ยังไม่ได้บรรลุ mm hmm. ใกล้คือคืนก่อนที่จะครบสามเดือนคืนก่อนที่จะมีการประชุมนี้ พระนนท์กำลังเร่งความเพียรอยู่ด้วยกวารมีความมั่นใจว่าตอนเองนั้นจะได้บรรลุทำภายในระยะเวลาสามเดือนอย่างแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าได้ส่งพูดได้ส่งพยากรณ์ไว้ก่อนที่จะจากไปว่าอานอนท์เธอไม่ต้องเสียใจกับการจากของเราไป เพราะว่าหลังจากที่เราจากเธอไปแล้วเธอจะมีเวลาที่จะได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่และภายในระยะเพียงสามเดือนนี้เธอก็จะได้บรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดได้คืนนั้นพระนนก็เลยแน่งความเพียรอย่างเต็มที่เพราะรู้ว่ามันใกล้เวลาแล้วแต่จิตก็ยังไม่หลุดพ้นจิตก็ยังไปภาวัพภาวนอยู่กับสองเรื่องด้วยกัน เรื่องว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นพรุ่งนี้เช้าก็เป็นเวลาครบสามเดือนแล้วแต่จิตของในเราก็ยังติดอยู่ยังไม่หลุดแล้วก็ไปภางคงถึงอดีตคือคำคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าว่าอานุ์เธอจะต้องหลุดพ้นอย่างแน่นอนเลยทำให้เกิดมีความกดดันกับพะ้านนอ์ในเรื่องของการปฏิบัติ ยิ่งเร่งความเพียนเท่าไหร่ยิ่งกลับไม่ไม่สงบยิ่งกลับไม่หลุดจนพอเวลาใกล้จะสว่างก็เลยตรงว่าเราคงจะไม่บรรลุแล้วตามเวลาที่พระเจ้าได้ทรงบัญจะได้กำหนดไว้พอผ้านนรมงได้ ดึงจิตให้กลับมาอยู่ในปัจจุบันเริ่มอดีตคือคําพยากรณ์ของพระเจ้าและลรมอนาคตคือเวลาที่จะครบสามเดือนนี้พอจิตของพระนรินกลับมาอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นแหละจิตก็หลุดพ้นทันทีอันนี้เป็นบุคคลที่สําคัญที่สงจะต้องรอให้บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ก่อน แล้วถึงจะสามารถเข้าร่วมวงประชุมสังคายนาพระธรรมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องแม่นยามที่สุดนี่คือเรื่องของความความแท้จริงของพระธรรมคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีมีการ จะเลึกไว้ในพระไตรปิฎกเชื่อได้ว่าเป็นคำสั่งคำสอนที่แท้จริงที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้ใดถ้าได้ศึกษาและได้น้อมนำเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถที่จะหลุดพ้นได้อย่างแน่นอน นี่คือแหล่งเดียวเท่านั้นที่เราจะมีความเชื่อมั่นได้เพราะว่ากับพระอริยสงฆ์นี้บางทีเราไม่มีปัญญาพอที่จะแยกแยะได้ว่ารูปไหนเป็นพระอริยหรือไม่คำสอนของท่านนั้นเป็นคำสอนที่ตรงกับหลักธรรมที่พุะเจ้าทรงสั่งสอนหรือไม่ดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะทำในเบื้องต้น ถ้าเราเป็นผู้ที่ศึกษาใหม่ก็ควรจะไปศึกษาพระสูตรต่างๆของพระพุทธเจ้าไว้ก่อนไว้เป็นแนวทางเป็นไว้เป็นมาตรฐานให้เราจะได้สามารถเอาไปวัดกับคําสั่งคําสอนของพระต่างๆได้ว่าพระเหล่านี้ได้ ส, ดสอนตามหลักที่พระเจ้าทรงสอนหรือไม่ ซึ่งก็เราก็ไม่ต้องไม่ต้องศึกษาพระไตรปิฎกทั้งหมดเพื่อที่จะได้ได้ได้รับคำสอนที่ถูกต้องเพราะว่าพระธรรมคำสอนพระเจ้านี้ถึงแม้จะมีมากมายก็ตามแต่ก็มีผลอันเดียวกันก็คือสอนให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดด้วยกันทั้งนั้นดังนั้น ขอให้เราศึกษาพระสูตรที่สำคัญสำคัญที่เราจะได้ใช้เป็นแนวทางของการหลุดพ้นจากกองทุกข์แนวทางของการหลุดพ้นจากความทุกข์พระพุทธเจ้าก็ทรงสแสดงไว้ในพ ร, าากกระธรรมจักรกปวัตตนสูนตรพระธรรมเทศนาครั้งแรกที่หลังจากทรงสแสดงแล้วก็ทำให้หนึ่งในผู้ฟังคือหนึ่งในพระปัญจวัคคี คือพระอัญญาณกกนธัญญานี้สามารถบรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งได้ทันทีบรรลุเป็นพระโสดาบันได้เลยอันนี้จึงถือว่าเป็นพระสูตรที่สำคัญที่ผู้ที่ศึกษาควรที่จะศึกษาและจดจำเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางในการที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อทำให้จิตหลุดพ้นให้บรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ ทำไมพระบรญจวิคีนหนึ่งในพระบัญจรวิคีนเพียงแต่ได้ฟังพระสูตรอันนี้ก็สามารถบรรลุเป็นพระ อ, อริยบุคคลขั้นที่หนึ่งได้แล้วแสดงว่าพระสูตรอันนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะพระสูตรนี้จะทร ง, งสอนเรื่องมรรคแปดคือทางที่จะทําให้ผู้ปฏิบัติ นั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนั่นเองถ้าเจริญมักแบบได้ปฏิบัติสร้างมักแปให้มีปรากฏขึ้นมาในใจคือสร้างสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสร้างสัมมาสังกรปรความดำริชอบสร้างสัมมากรรมโตามการกระทาชอบสร้างสัมมาวาจาการพูดชอบวาจาชอบ สร้างสมาัมมาชิวะ อ, อาชีพชอบสร้างสัมมาวายามโมความเพียรชอบสร้างสัมมาสติการเลึกรู้ชอบสร้างสัมมาสมาธิความตั้งมั่นชอบถ้าสามารถเจริญมรรคที่มีองค์แปนี้ได้ครบบริบูรณ์ก็จะสามารถเข้ า, ขาสู่มรรคผลผนิพพานได้ตามลำดับ อย่างแน่นอนอันนี้แหละเป็นพสูตรที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับที่เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติของเราเองด้วยและในการไปเปรียบเทียบกับคำสั่งคำสอนของพระต่างๆที่มีชีวิตอยู่ในยุคนี้หรือที่มีเพิ่งเพิ่งมีเพิ่ง เ, พงเสียชีวิตไปไม่นานแต่มีคำสั่งคำสอน ได้บันทึกไว้ชเช่นคำสั่งคำสอนของผ้าอาจารย์ต่างๆในสายหลวงปู่มัน่นก็เราสามารถศึกษาคำสั่งคำสอนของผ้าอาจารย์เหล่านั้นได้และเราก็จะสามารถมีเครื่องวัดได้ว่าสิ่งที่ท่านสอนนั้นมันอยู่ในมรรคแปดหรือไม่ท่านสอนเรื่องสามารถทิฏฐิหรือไม่ ธรรมะทิฏฐิก็เรื่องอริยสัจสีนี่ก็คือต้องมีต้องมีความเห็นชอบต้องเห็นว่าทุกนั้นคือความไม่สบายใจความทุกข์ใจต่างๆนี้เกิดจากความอยากต่างๆของใจเกิดจากความอยากสามประการคือกามาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาแล้วก็ การที่จะทาให้ทุกนี้ดับไปจากใจได้<ม>ก็ต้องอาศัยมักมักที่มีองแปะนี้องค์ที่สำคัญก็คือปัญญาปัญญาก็คือการเห็นไกลรักการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้นั่นเองแต่ต้องมีการสนับสนุนด้วยสติสมาธิและศีลเป็นผู้สนับสนุนที่จะทำให้ปัญญา ที่เห็นตายลักนี้มีประสิทธิภาพมีพลังที่จะละความอยากทั้งสามได้ที่จะดับความทุกข์ได้น่าจะหยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้ด้วย mm hmm. เพราะการมาเกิดนี้ mm hmm. ก็เป็นผลที่เกิดจากกามาตัานหาภาวะตันหาและวิภวะตันหานี้นั่นเองอ น, นี่คือสัมมาทิฏฐิต้องรู้ว่านี่ คือสิ่งที่เราจะต้องรู้สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าทุกของเรานี้มันเกิดจากความอยากของเรามันไม่ได้เกิดจากผู้อื่นมันไม่เกิดจากดินฟ้าอากาศไม่เกิดจากเศรษฐกิจตกต่าไม่เกิดจากสงครามไม่เกิดจากโรคภัยระบาดต่างๆแต่มันเกิดจากความอยากของเรา อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้ก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเป็นต้นเราต้องมาแก้ที่ความอยากนี้ต้องละความอยากเหล่านี้และสิ่งที่จะละความอยากได้ก็คือการปฏิบัติมรรคแปดนี mm hmm. ้เราต้องมีสัมมาสังกัปโปเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิแล้ว เราก็ต้องมีสัมมาสังกัปปะคือเราก็ต้องรู้เราต้องคิดไปในทางที่ถูกคิดไปในทางที่จะตับความทุกข์เพราะความทุกข์เกิดจากความอยากและความทุกข์เกิดจากการทำบาปด้วยสัมมาทิฏฐิข้อหนึ่งที่ควรจะรู้ก็คือกฎแห่งกรรมรู้ว่าทำบาแล้วจะทำให้ใจทุกข์ทำบุญแล้วจะทำให้ใจสุขเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็จะได คิดไปในทางที่ถูกคิดไม่ทำบาปคิดทำแต่บุญคิดชำระใจคือกาจัดความโลภความโกรธความหงลงหรือความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจนี่คือเป็นความคิดที่เราควรจะคิดกันอย่าไปคิดหาลาบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอันนี้เรียกว่ามิจฉาสังกโป ความคิดไม่ชอบไม่ใช่เป็นความคิดที่ชอบความคิดที่ชอบต้องคิดว่าเราจะต้องไม่ไปหาความสุขทั้งอยากลาบยศสารเสริญสุขกันเราต้องไปหาความสุขจากการทําบุญชนิดต่างๆตามที่พรเจ้าได้ส่งสอนให้ทำเช่นทำทานเช่นการช่วยเหลือผู้อื่น<ม>เป็นต้นเช่นการตอบแทนบุญคุณ การมีความกตัญญูกตวเวทีต่อผู้มีพระคุณอย่างนี้เป็นการกระทาที่ถูกต้องเพราะจะทำให้มีความสุขใจแล้วก็ไม่ทำบาปสัมากฉโมันโตตามพอเรามีสำมาาสังกโปแล้วคือเราจะไม่คิดทำบาปเราจะทำแต่บุญเราจะชำระกิลเลสกำจัดความโลภความโกรธความหลง กำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปให้ได้เราก็จะมากับการกระทําต่อไปการกระทําที่สำ ม, มากรมมันโตคือการกระทําที่ชอบก็คือการไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดประเวณีอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้อง แล้วก็พอถ้าไม่ทำบาปแล้วทุกก็จะไม่เกิดทุกที่เกิดจากการทำบาปก็จะไม่มีแล้วก็สามมาวาจาเราก็ต้องไม่พูดปดแล้วถ้าเราปฏิบัติได้สูงกว่านี้ได้ก็คือเราก็ต้องไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียนหรือไม่พูดยุโยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีกัน แปลว่าส่อเสียดไม่ใช่เสียดสีไม่ได้พูดเพื่อเสียดสีคนนั้นคนนี้แต่พูดเพื่อยุยงให้คนนั้นคนนี้เขาทะเลาะกันให้เขาโกรธกันเกลียดกันนี่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรพูดยุยงกันควรจะพูดให้เกิดความเมตตาความรักกันสามัคคีกันนี่เรียกว่าสามมาวาจาแล้วก็การมีอาชีพ แล้วก็มีอาชีพที่สุดจริตมีอาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำไม่ไปสร้างความเสียหายเยดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือทาให้เขาถึงกับเสียชีวิตเ<ม>ช่น อ, อาชีพอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้ก็ไม่ควรที่จะทําอาชีพที่จะไปส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นก็ไม่ควรกระทําเช่นอาชีพขายขายสิ่งที่ใช้ในการฆ่าฟันกัน อาวุธต่างๆหรือเครื่องบรรักสัตหรือสิ่งที่ทำให้ผู้นั้นขะะาดสัจสติแล้วไปทำร้ายผู้อื่นได้ก็คือสุรายาเมาและยาที่ทำให้ยาเสพติดต่างๆที่ทำให้เกิดการมึนเมาขึ้นมาขาดสติยับยั้งการกระทำที่ไม่ดีไม่ได้ อ, อันนี้คืออาชีพที่ไม่ควรจะทำกัน แล้วก็มาเจริญสัมมาวายาโมความเพียรชอบความเพียรชอบก็คือเพียรที่จะเพียรเพียรละ บ, บาปเพียรทาบุญเพียรเจริญการปฏิบัติเพื่อชำระจิตใจก็คือเพียรการปฏิบัติภาวนาสองระดับสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนา เพราะว่าเป็นการปฏิบัติที่จะมาชำระกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาที่มีอยู่ในใจนี้ให้หมดสิ้นไปได้อันนี้คือความเพียรชอบแล้วก็มาเพียรเจริญสติเพราะการเพียรเจริญสตินี้เป็นขั้นต้นของการเจริญภาวนานี่เองผู้ใดจะเจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาได้นี้จาเป็นที่จะต้องเจริญสติก่อน ต้องมีความสามารถที่จะยับยั้งหยุดความคิดต่างๆได้ก่อนถ้ายับยั้งหยุดความคิดต่างๆไม่ได้เวลาจะมาเจริญสมถะภาวนาคือสมาธินี้ก็จะเจริญไม่ได้ใจก็จะไม่สงบต้องเจริญสติให้มีความต่อเนื่องตั้งแต่ตั้งแต่ตื่นจนหลับ<ม>การปฏิบัติเจริญสตินี้เป็นงานเต็ม ในงานเต็มเต็มร้อยคือต้องทำทั้งทั้งวันทั้งคืนตลอดระยะเวลาที่ตื่นขึ้นมานี้สำหรับผู้ที่ต้องการที่จ ะ, จะเจริญสมถาทะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาจ า, าเป็นที่จะต้องจเจริญสติอย่างต่อเนื่องให้ได้ก่อนเพราะถ้ามีสติที่ต่อเนื่องแล้วเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบนิ่งได้ เข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ได้สัปปนาสมาธิก็จะได้อุเบกขาที่เป็นตัวที่จะผู้ที่จะมาหยุดความอยากต่างๆได้ถ้าปราศจากอุเบกขาแล้วนี้จะไม่มีกําลังที่จะหยุดกามตาตนะภาวนาและวิภวัวนาได้อย่างนั้จะรู้ว่า กามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเป็นเหตุของความทุกข์ใจก็ตามแต่ถ้าไม่มีอุเบกขาไม่มีสติที่มีกำลังก็จะไม่สามารถยับยั้งตัณหาต่างๆได้ mm hmm. นี่คือการจเจริญสติสัมมาสติ mm hmm. เพื่อที่จะได้สัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ตั้งอยู่ในความสงบ ตั้งอยู่ในอุเบกขาไม่ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆไม่ไปมีอภินยาต่างๆอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิคือสมาธิที่มีความสามารถพิเศษสามารถระลึกชาติได้สามารถรู้วาระจิตของผู้อื่นได้สามารถติดต่อกับกายทิพย์สามารถท่องเที่ยวไปในโลกทิพย์ได้อันนี้ ไม่เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิเพราะว่าสมาธิแบบนี้ไม่มีอุเบกขาไม่มีกำลังที่จะสู้กับกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาได้ดังนั้นจึงถือว่าเป็นวิชชาสมาธิถึงแม้ว่าจะมีคุณวิเศษมีความสามารถดังที่ได้กล่าวมานี้ก็ตามแต่คุณวิเศษเหล่านี้ไม่สามารถมาทำลาย กิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาได้ต้องอาศัยสัมมาส ม, มาธิที่มีอุเบกขาเท่านั้นที่จะสามารถที่จะไปสู้กับกิเลสตัณหาได้แต่ก็ต้องมีมีปัญญาหรือมีสัมมาทิฏฐิคือเห็นว่ากิเลสนี้เป็นตัวพิษตัวภัยต้องเห็นว่าความอยากต่างๆความอยากในรูปเสียงกลธพธพิ่นรสโผฏฐาภะ ความอยากได้ราบยศสารเสริญสุขความอยากไม่ให้สูญเสียราบยศสารเสิญสุขไปนี้ถือว่าเป็นพิษเป็น ภ, าภาัยถ้าไม่มีปัญญาไม่มีสัมมาทิฏฐิจะไม่รู้กลับไปเห็นว่าความอยากนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะมักจะมีคนค้านอยู่ด้วยว่าถ้าเราไม่มีความอยากแล้วโลกจะเจริญได้อย่างไรที่โลกเจริญวันี้ทุกวันก็มีความอยาก อยากเดินทางก็เลยต้องมีการคิดค้นหาพาหนะต่างๆถ้าไม่อยากเดินทางโลกก็ยังจะไม่เจริญยังยังคงจะต้องใช้เท้าเดินไปไหนมาไหนอยู่แต่เพราะความอยากไปนู่นมานี่อยากดูนั่นฟังนี่ก็เลยทำให้เกิดมีการผลิตสินค้าต่างๆออกมามากมายแต่ความเจริญแบบนี้มันไม่ได้นำไปสู่การดับของความทุกข์ต่างๆ แต่มันกลับกลายเป็นการไปกระตุ้นทาให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะมันจะมีความอยากใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมีความกระตุ้นความอยากแล้วพอไม่สามารถทำตามความอยากได้ใจก็ทุกข์ทุกข์ตั้งแต่เริ่มมีความอยากแล้วถ้ามีความอยากแล้วก็อยู่เฉยๆไม่ได้แล้วต้องคิดค้นต้องหาหาอะไรทำกันเพื่อให้ได้ สิ่งที่อยากได้มากันแล้วอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอก็ต้องพัฒนากันไปเรื่อยอย่านี้ไปถึงดวงดาวกนะันไปถึงพระ จ, จันทร์ไปถึงอะไรต่างๆนะแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดลงและในขณะเดียวกันมันก็มาสร้างปัญหาบนโลกเพราะว่าเมื่อมีการพัฒนาสิ่งต่างๆมันก็ต้องมีการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ ก็อาจจะมีการต้องแก่งแย่งชิงดีกันแก่งแย่งดินแดนกันและอาจจะมีการทำภาวะทำสงครามต่อกันอันนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายตาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ทุกวันนี้เพราะความอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกเนื้อการนี่เองไม่ใช่ไม่ได้เป็นการที่จะระ ง, งับความอยากเหล่านี้ ถ้าเราไม่มีความอยากเหล่านี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่เจริญทางทางวัตถุอย่างที่เราเจริญกันอย่างในวันนี้เช่นในสมัยพระพุทธกาลนี้ท่านก็ไม่มีอะไรที่เจริญเหมือนที่เรามีกันแต่ทำไมจิตใจของท่านนี้กลับมีผู้หลุดพ้นจากความทุกข์กันเป็นจานวนมากและอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขกันความเจริญที่แท้จริงต้องเจริญที่จิตใจ ไม่ใช่ไปเจริญที่ทางด้านลาบยศสรรเสริญสุขเพราะเจริญเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอไม่มีวันอิ่มได้เป็นเศรษฐีลำดับหนึ่งของโลกแล้วก็ไม่พออยากจะได้มากกว่านั้นมีเงินเท่านี้แล้วก็ยังไม่พอยังหยุดไม่ได้ยังต้องทามาหากินต่อไปต้องดิ้นรนต่อไปได้ยศได้ตำแหน่งสูงขนาดไหนก็ไม่อิ่มไม่พอต้องดิ้นต้อง ต้องต่อสู้เพื่อรักษาป้องกันตาแหน่งที่มีอยู่ไม่ให้หมดไปได้สารเสริญมามากน้อยเพียงไรก็ไม่พออยากจะได้อยู่เรื่อยๆได้สัมผัสกับรูปเสียงกลภภิ่นรสผลพพะมากน้อยเพียงไรก็ไม่อิ่มไม่พอก็ต้องคอยดิ้นหามาใหม่อยู่เรื่อยๆการดิ้นนี้มันไม่ใช่เป็นความสุขการดิ้นนี้มันเป็นความทุกข์ ความสุขนี้มันต้องไม่ดิ้นมันต้องนิ่งต้องเฉยได้ถึงจะมีความสุขต้องพอถ้าไม่พอแล้วไม่มีความไม่มีไม่มีควา ม, ม, ม, ม, ม, ค, วามความสุขถ้ายังอยากได้นูน่นได้นี่ก็แสดงว่าไม่สุขแล้วถึงอยากถ้าสุขจริงแล้วไม่อยากได้อะไรพอแล้วอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามาเจริญสร้างความเจริญทางจิตใจด้วยการ ระงับความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเพื่อทําให้ใจของเราพอกันเพราะเมื่อใจเราพอแล้วมันก็สุขความสุขอยู่ที่ความพอถ้ามีความพอที่ไหนก็มีความสุขที่นั่นถ้ามีความไม่พอที่ไหนก็มีความทุกข์ที่นั่นและจะทําให้ใจมีความพอได้ก็ต้องเจริญมรรคแปดนี่เองนี่แหละทําไมพระสูตร อันแรกคือพระธรรมจกกักรประวัตนาสุดนี้เป็นพระสูตรที่สําคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธที่ใฝ่ใฝ่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี้ต้องศึกษากันต้องรู้กันเป็นเป็นพระสูตรที่ไม่ไม่ยากเย็นอะไรเท่าไหร่ในแค่ศึกษาอยู่สองหัวข้อใหญ่หญๆคืออริยสัจสีกับมรรคแปด หะอาจะมีาตายรักอยู่ในนั้นด้วยก็ได้ถ้าจำไม่ผิดมีความมีสิ่งใดมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็เรียกว่าอ น, นิจจังไม่มีอะไรสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่แท่งแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาเช่นร่างกายเมื่อมีการเกิดแล้ว ก็ต้องมีการแกร่มีการเจ็บมีการตายไปเป็นธรรมดาไม่มีใครที่ไหนหน้าไหนใหญ่โตขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดไหนร่ำรวยขนาดไหนที่จะสามารถมายับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้เพราะนี่คือกฎของอนิจจังกฎของตายรักษณอนิจจังและก็อนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของร่างกาย ร่างกายนี้เป็นของธรรมชาติเป็นของดินน้ำนมไฟที่มาผสมปรุงแต่งมารวมตัวกันแล้วก็แปลงให้กายเป็นอาการ32ขึ้นมาแปงให้มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามมีปอดมีหัวใจมีตับมีไตมีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่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 ทางลมหายใจก็คือธาตุลมความน้อนของแสงอาทิตย์ก็มาทางร่างกายมาสัมผัสกับร่างกายเข้ามาทางร่างกายอาหารกับน้ําก็เข้ามาทางปากธาตุดินก็คือ ก, ก็คืออาหารเช่นข้าวผักนี่ก็ทํามาจากธาตุดินธาตุน้ําก็คือน้ําที่ดื่มเข้าไปน้ําชนิดต่างๆเมื่อสิ่งเหล่านี้เข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนโรงงานผลิตรถยนต์เนี่ย เมื่อโรงงานผลิตยนต์ได้ชิ้นส่วนต่างๆเขาก็เอาไปประกอบให้เป็นรถยนต์ขึ้นมาโรงงานผลิตรถยนต์นี้เขาไม่มีอะไรเขาต้องไปเอาชิ้นส่วนมาจากที่อื่นเอาล้อเอาเครื่องยนต์เอาเอาตัวถังรถยนต์เอาส่วนประกอบต่างๆเข้ามาประกอบในโรงงานผลิตรถยนต์อีกทีร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนโรงงานผลิตรถยนต์เอาวัตถุดิบส ชนิดด้วยกันก็คือธาตุดินธาต้น้ำธาตุลมธาตุไฟพอเข้าไปในท้องท้องมันก็จะทำการาผสมผสานแล้วก็แยกแยะออกไปเป็นส่วนๆไปเอาไปเสริมเอาไปสร้างอาการต่างๆเอาไปสร้างผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกต่างๆขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องปรากฏการ์หรือเป็นการทำงานของธรรมชาติ ไม่มีใครไปสัง่งไม่มีใครไปห้ามมันได้พอมันมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้ธาตุทั้งสี่มันมารวมกันมันก็มาก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นอาการสามสิบสองแต่มันก็อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังก็คือมันจะไม่อยู่ไปอย่างท้าวรมันเมื่อมารวมตัวกันมันก็จะมีการเจริญขึ้นไปจเจริญเมื่อเฉีดสูง ส, งสุดแล้วมันก็จะเสื่อมลงไป ร่างกายตอนต้นก็จะออกมาจากท้องแม่ก็จ ะ, จะเจริญจากทารกตัวเล็กๆก็เริ่มจเจริญขึ้นเพราะคอยเติมน้ําเติมอาหารเติมอากาศเติมความร้อนให้กับร่างกายอยู่เรื่อยๆล ง, ลงงานคือร่างกายก็ผลิตชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายให้ใหญ่ขึ้นให้โตขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขีด ส, สูงสุดเต็มที่เช่นบรรดาที่เป็น คนคนหนุ่มคนสาวที่เต็มที่แล้วนี่ก็ถือว่าถึงจุดสูงสุดของการเจริญของร่างกายแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเป็นเหมือนภูเขาเนมันเมื่อมันถึงยอดแล้วมันก็จะมันก็จะมีการลดลงนะมันก็จะมีการเสื่อมลงเมื่อจเจริญสูงสุดแล้มันก็จะเริ่มนับถอยหลังมันก็จะเริ่มค่อยๆเกิดความเสื่อมไปตามชิ้นส่วนต่างๆ อาการต่าง ๆ, ๆก็จะเริ่มชำรุทุติมเกิดเป็นโครคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมาจนถึงเวลาที่ส่วนใดส่วนหนึ่งหยุดทำงานไม่สามารถทำงานต่อไปได้เช่นถ้าหัวใจหยุดเต้นโรงงานนี้ก็ปิดทันทีไม่สามารถผลิตอะไรต่อไปได้ก็มันก็จะล้่มสลายร่างกายก็จะแยกส่วนไป ส่วนที่เป็นลมก็ออกไปก่อนตามด้วยส่วนที่เป็นไฟคือความร้อนแล้วก็ตามไปด้วยส่วนที่เป็นน้ำในที่สุดก็เหลือแต่ส่วนที่เป็นดิน น, นี่คือร่างกายเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราอยู่ในร่างกายนี้เราอยู่ในจิตที่ไปหลงไปคิดว่าเราเป็นร่างกายร่างกายเป็นเราทั้งนั้นเองแม้แต่ในจิตก็ไม่มีเรา เรานี้มันไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่เราเพียงแต่เรานี้เกิดจากความหลงของจิตที่ไปคิดว่าจิตผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นเป็นเราคิดเป็นเรารู้แต่ความจริงมันไม่มีเรามันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งธรรมชาติของจิตก็คือเป็นเป็นจิตที่รู้ได้คิดได้รู้สึกรับรู้สิ่งต่างๆได้แต่ไม่มีผู้รับรู้เป็นธรรมชาติ เหมือนกับฝนตกแดดออกนี่ก็เป็นธรรมชาติไม่มีใครทําให้ฝนตกไม่มีใครทําให้แดดออกมันเป็นธรรมชาติที่มีมันมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้มันตกที่จะทําให้มันแดดออกกันนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าส่งสอนในกฎแห่งไตรลักษณ์ น, นิจังอนัตตาถ้าเราไปอยากให้มันเป็นนิจัง คือยากให้มันอยู่คงที่อยากให้มันดีอยากจะให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายผลก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะความอยากนี้แหละเรียกว่าภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหาอยากอยู่ไปนานๆอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยันนี้แหละจะเป็นตัวที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาที่ร่างกายของเราแก่เวลาที่ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาที่ร่างกายจะตายไปเพราะเราคิดว่าเราจะตายไปกับร่างกายเพราะเราไม่มีปัญญาไม่มีสัมมาทิฏฐิที่ไม่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาเ ป, เป็นธรรมชาติที่เกิดจากการรวมตัวของธาตุสี่คือดินน้ำนมไฟเท่านั้นเองที่เมื่อมีการรวมตัวแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการแยกตัวกลับคืนสู่ที่เดิมวันหนึ่งสิ่งที่มารวมตัวในร่างกายนี้มันก็จะกลับคืนสู่ ที่เดิมของมันน้ำมันก็จะกลับไปรวมกับน้ำลมก็จะกลับไปรวมกับลมไฟก็จะกลับไปหาไฟดินก็จะกลับไปสู่ดินอันนี้คือเรื่องของกฎของตายรักที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของพวกเราทุกคนที่เราถ้ายังไม่ได้ศึกษาไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิก็จะไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเรา แล้วเราก็จะเกิดความทุกข์เวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บหรือร่างกายตายทั้งๆที่เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นเพียงแต่ผู้รับรู้ความเจริญความเสื่อมของร่างกายนี้เท่านั้นแต่เนื่องจากเรามีความหลงความอยากอยากให้ร่างกายนี้เจริญอย่างเดียวอยากให้ร่างกายนี้ไม่เสื่อมมันก็เลยสร้างความทุกข์เวลาที่เราจะต้องพบกับความเสื่อม ความตายของร่างกายแต่ถ้าเราได้มาศึกษาทมแล้ ว, ลวถ้าเราเข้าใจแล้วว่านี่คือร่างกายเป็นอย่างนี้เป็นไม่ใช่ตัวเราของเราเมื่อมีเกิดย่อมมีดับเป็นธรรมดาจริงใดมีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่มีใครไปยับยั้งไปห้ามมันได้มเมื่อเราเห็นความจริงเราก็จะหยุดความอยากเพราะเรารู้ว่าไปอยากให้มันไม่แก่ก็ไม่ไม่ทให้มันไม่แก่ อยากให้มันไม่เจ็บก็ไม่ได้ไปห้ามมันไม่ให้มันไม่เจ็บได้เพียงแต่กลับมาสร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจไปเปล่าๆเท่านั้นเองก็เราหยุดความอยากเสียก็ปล่อยให้มันแก่ไปเมื่อมันเจริญก็รู้ว่ามันเจริญเมื่อมันจะเสื่อมก็รู้ว่ามันเสื่อมเพราะมันเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติที่ไม่มีใครไปสามารถควบคุมบังคับมันได้ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็สามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันได อย่างที่พระอัญญาณโกนธัญะท่านมีดวงตาเห็นธรรมการมีดวงตาเห็นธรรมก็คือการเห็นตายลักษ์เห็นอริยาาสัจสี่นี้เองตายลักษ์กยบอริยสัจสีนี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนห่วงสองห่วงที่มันมันคล้องติดกันมันไปด้วยกันเพราะในตายลักษ์ก็มีทุกข์ในอริยสัจสี่ก็มีทุกข์เนี่ยตัวที่เชื่อมตายลักษ์กับอริยาาสัจสี่ก็คือตัวทุกข์นี่เองที่เราทุกข์ กับสิ่งที่เป็นอ น, นิจจังอนัตตาก็เพราะเราอยากให้มันไม่เป็นอ น, นิจจังไม่ให้เป็นอนัตตาเราอยากจะให้มันเป็นนิจจังเป็นอันตาพอมันไม่เป็นมันก็เลยทำให้เราทุกข์ทุกข์เพราะเราไปอยากให้มันเป็นอันนี้การคือการศึกษาพราะธรรมคาสอนของพุทธเจ้าความจริงไม่ต้องรู้มากรู้แค่พระสูตรนี้สูตรเดียวนี่ก็แทบจะสามารถใช้เป็น เป็นทางที่จะพาให้เราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้ว mm hmm. พอเรารู้หลักนี้แล้วนี้เวลาเราศึกษาจากพระไตรปิฎกเราอาจจะไม่เข้าไม่ค่อยเข้าใจความหมายก็ได้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการแปลภาษามาอาจจะไม่ชัดเจนถ้อยคําที่ใช้อาจจะต่างกับที่เราใช้กันในสมัยนี้อ่าแล้วก็ยังอาจจะไม่เข้าใจ อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจึงต้องไปหาคำสั่งคำสอนของพระอริยบุคคลผู้ที่ได้แปลความหมายของคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกแล้วนำเอาไปใช้ในการปฏิบัติจนทำให้ท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้วอันนี้เราก็ต้องไปศึกษากับครูบาอาจารย์ตามสำนักต่างๆเบื้องต้นเราก็ต้องศึกษาอ่าน เหมือนกับเวลาเราจะซื้อรถยนต์ซื้อสินค้านี่เราก็ต้องอ่านดูว่าคนเขาให้คะแนนเท่าไหร่กับรถยนต์คันนี้หรือสินค้าชนิดนี้มีข้อดีข้อเสียให่ตรงไหนอย่างไรอันนี้ก็เหมือนกันเราอาจจะต้องศึกษาครูบาอาจารย์ต่างต่ากันว่าอาจารย์รูปนี้ท่านเป็นอย่างไรท่านสอนอะไรอย่างไรอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจู่ๆก็จะไปเลยแล้วก็จะไปเชื่อแบบใครก็พูดอะไรก็เชื่อ พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าไปเชื่อใครง่ายๆใครเขาพูดอะไรก็ให้ฟังหูไว้หูคือไม่ให้เชื่อแต่ก็ไม่ให้ปฏิเสธให้ไปพิสูจน์ก่อนแล้วค่อยจะได้รู้ว่าจริงหรือไม่จริงถ้ายังไม่รู้ก็อย่าพึ่งไปเชื่ออย่าพึ่งไปปฏิเสธนี่คือความหมายอย่าเป็นคนแบบมงมงายใครเขาพูดอะไรก็เชื่อไปทันทีแล้วพอไปพิสูจน์แล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดก็ได้ ก็จะเสียเวลาหรืออาจจะถูกหลอกให้หลงทางก็ได้<ม>ความเชื่อนี่คือความศรัทธาต้องเชื่อด้วยปัญญาเชื่อด้วยเห็นเชื่อด้วยผลเชื่อด้วยการพิสูจน์<ม>อย่าไปเชื่อเพราะเขาพูดมาแล้วก็เชื่อ<ม>เพราะสิ่งที่เขาเชื่อมาอาจจะไม่ได้เป็นความจริงก็ได้เพราะคนที่ไปเชื่อมาก็อาจจะไม่มีปัญญาก็ได้<ม>เพราะฉะนั้นเวลาใครก็บอกพระรูปนั้นรูปนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อนะก็อย่าเพิ่งไปปฏิเสธอย่าไปปรามาสการปรามาสก็ไม่ดีการเชื่อแบบที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ก็ไม่ดีต้องไปพิสูจน์ก่อนว่าท่านเป็นอย่างไรดีไม่ดีอย่างไรอย่างกูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันนี้ที่เชื่อได้อย่างร้อเเซนก็คือท่านที่ตายไปแล้วนะั่นแหละท่านที่ตายไปแล้วกระดูกของท่านกลายเป็นพระาธาตุขึ้นมา อันนี้แหละเป็นเครื่องยืนยันว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์ของพระสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเชื่อได้คําสอนของท่านยังมีอยู่คําสอนของพระที่ที่กระดูกตายเป็นพระธาตุนี้ยังมีอยู่มีบันทึกไว้ในหนังสือบ้างในแถบบันทึกเสียงบ้างไปศึกษาจากพระเหล่านี้ได้แต่ถ้าจะศึกษากับพระที่ยังมีชีวิตอยู่นี้ก็ต้องใช้เวลาให้ใช้ความรอบคอบ พิสูจน์ได้เหมือนกันพิสูจน์พิสูจน์ด้วยการนําเอาคําสอนของท่านมาปฏิบัตดิดูหรือถ้าเรามีความสงสัยในธรรมะข้อใดแล้วไปสอบถามท่านแล้วท่านตอบให้ความกระจ่างกับเราได้<ม>ก็อันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราพอที่จะเชื่อได้ยัง<ม>ต้องเชื่อด้วยการปฏิบัติด้วยการพิสูจน์อย่าไปเชื่อเพียงแต่ฟังเฉยๆเขามามบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เชื่ออันนี้คนมาบอกอาจจะเป็นคนที่หลงก็ได้ คนที่งมงายก็ได้คนที่ไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะ ก, ก็ได้แล้วถ้าเราไปเชื่อคนโง่คน ง, ค น, งคนไม่มีปัญญาเราก็จะโง่ตามเขาไปได้ถูกหลอกตามกันไปได้นั้นนี่คือความเชื่อในพระพุทธศาสนาต้องเชื่อด้วยเหตุด้วยผลและเชื่อด้วยการพิสูจน์เชื่อด้วยการศึกษาเชื่อด้วยการปฏิบัติก่อน ท่านสอนอย่างนี้เราเอาไปปฏิบัติดูได้ผลตามที่ท่านพูดหรือไม่ถ้าไม่ได้ผลนี่ก็อาจจะอาจจะไม่แน่ใจใช่ไหอย่างนี้ก็อาจจะต้องไปศึกษาจากที่อื่นต่อไปหรือ ด, ดูว่าสิ่งที่ท่านสอนตรงกับที่พระเจ้าทรงสอนหรือไม่ขาดตรงไหนเกินตรงไหนหรือไม่อย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าท่านสอนถูกหรือไม่ถูก แต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็เอาของที่แน่นอนก็คือเอาของที่ตายไปแล้วดีกว่าเอาของพระตายไปแล้วเนี่ยที่กระดูกท่านเป็นพระธาตุไปแล้วเนี่ยเอาคําสอนท่านมาศึกษามาปฏิบัติได้อันนี้จะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะเป็นความสอนที่ถูกต้องแม่นยําเช่นคําสอนของพระพุทธเจ้าและคําสอนของพระอริยสงสาวกที่ไ ด, ทได้ที่ได้ดับขันไปแล้ว แต่ยังมีคำสั่งคำสอน squares, เก็บไว้อยู่บันทึกในรูปแบบต่า ง, างๆอยู่อาศัยคำสอนเหล่านี้นไปก็ได้แต่ถ้าได้พบกับพระที่เป็นพระที่หลุดพ้นอย่างแท้จริงแล้วมาสอนนี้มันก็จะได้ประโยชน์มากกว่าด้วยก็ได้เพราะได้ยินได้ฟังจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงนี้จะทำให้ได้กาจัดความนังเลสงสัยเรือคําจัดข้อข้อที่เราไม่รู้ต่างๆได้ พราท่านจะสามารถขี้คลายความไม่เข้าใจต่างๆของเราได้อันนี้ก็ต้องเป็นการแสวงหาไปเรื่อยๆก็แล้วกันถ้ายังไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งไปเชื่อฟังหูไว้หูไว้ก่อนแล้วนำมาไปปฏิบัติไปพิสูจน์เดียวเราจะได้ไม่หลงทางอั น, อนนี้แหละคือเรื่องของความเชื่อที่จะนำพาให้เราไปสู่ผลอนเนอระเสรตทางพระพุทธศาสนา สิ่งที่เราควรจะเชื่อมั่นได้ในเบื้องต้นก็นคือเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมของคําสอนของพระพุทธเจ้าและเชื่อในพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้ดุจพ้นแล้วที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นพระ า, านันตสาวกอย่างแท้จริงองค์กรานี้เป็นสิ่งที่เราควรเชื่อควรศรัทธาและควรศึกษาจากท่านเหล่านี้นี่คือเรื่องของศรัทธาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาตุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตโตชินังเตตานังอุ ป, ปการ ป, กปติอิทีิตังปฏิตังตุมหังคิประเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกะปา ยันโทปะนาระโสยธามะิโชติระโสยธาสะพีติโยวิวัชานตุสะพะโรโววินัสตุมาเตภวตวันตาาโยสุขีติขายุโกภวะ อภิวาธานสีลิปสานิจังวุธาปจายโนจัตารธรรมาวะทานติอายุวันโอสุขังปาลางช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามต่างๆใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียว เพราะหลังจากที่เลิกกันแล้วจะไม่สะดวกที่จะคุยกันเพราะมีกิจกรรมอย่างอื่นต้องทำต่อฉะนั้นจอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยก็มีหลายวิธีด้วยกันจะเข้ามาถามที่ข้างหน้านี้ก็ได้หรือถ้าจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาในเพจก็ได้แล้วเดี๋ยวจะมีทีมงานนํามาอ่านให้ฟัง วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไรเจ้าขาทาง Facebook พระอาจารย์สามร้อยแปดสิบห้าพระอาจารย์สองร้อยสี่สิบสามดรวสิวิทยาออนไลน์เก้าคลับเฮสิบหกหน้ากุฏิหนึ่งรอยสสิบเอดวมทั้งหมดแปดร้อยเก้าสิบแปดท่านเจ้าาค <Okay. S 2> ำถามจากคุณงามสัมมาสัมพุทธสะ พระอาหารหันตพุทธโธนโมพุทธายะใช้ภาวนาแทนบทสวดอิติปิโสได้ไหมคะหนูใช้ท่องประจำทุกเวลาที่หนูต้องไม่ต้องใช้ความคิดค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะได้ใช้บทไหนก็ได้ที่ทำให้เราหยุดความคิดได้ให้ใจเราเน่งเฉยเฉยไม่คิดตรงแต่มไม่รู้เฉยเฉย จากคุณลบพีขอทราบแนวทางการดูอย่างไรว่าพระรูปใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยครับหลวงพอ่พอเพราะบางรูปถ้าดูจากภายนอกก็ไม่แน่ใจว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่ครับก็ต้องไปอยู่กับท่านแล้วเราก็ต้องรู้ว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอย่างไรถ้าเราไม่รู้เราก็จะไปวัดท่านไม่ได้ paste? เราต้องดูข้อวัดของพระเช่นพัทธดงเขาวัดวินบาตเป็นวัดหรือเปล่า ชั้นมือเดียวหรือเปล่ า, าถือผ้าสามผืนเป็นวัดหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นี่เป็นข้อวัดที่พรเจ้าทรงสอนให้พระที่ฝ่การหลุดพ้นได้ปฏิบัติกันคือทุดงเวัดข้อต่างๆคุณนาวนาวีน้อมกราบพระอาจารย์ค่ะหนูฝึกปุเบกขาเมตตาปัญญาและอยากเพิ่มคุณธรรมขันติ ด้วยเพื่อเสริมกองทัพทำแก้ตัวโกรธขอพระอาจารย์ชี้แนะการปฏิบัติด้วยค่ะเรื่องขันตินเดี๋ยวมีคําถามอีกนะยับมาเดี๋ยวค่อยอ่านเดี๋ยวค่อยอ่านก็เรื่องขันตินี่มันก็ต้องมีโอเบกขานะมันถึงจะมีขันติได้ถ้าจิตไม่มีโอเบกขาจิตไม่นื่งมันก็จะทนไม่ได้ยังพยายามฝึกสติให้มากๆเพราะสติจะนําพาจิตให้ไปสู่เบกคา จิตมีอุเบกขาแล้วจิตก็จะเนิ่งเฉยได้คำถามจากนากุติค่ะความเป็นฉะนนั้นเองจิตว่างตัวกูของกูไม่มีตัวตนเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่เหมือนหรือต่างกันอย่างไรก็เวลาจิตสงบมันก็ว่างแล้วความคิดตรงแต่งว่าตัวกูของกูก็มันหยุดไปชั่คราวเพราะตัวกูของกูนี่มันก็ออกมาจากความคิดตรงแต่งนี่เองมันไม่ได้เป็นของจริง เหมือนกับที่คนสมัยก่อนคิดว่าพระอาทิย์โคจรรอบโลกอนี้ก็เป็นเพียงแต่ความคิดไม่ใช่เป็นความจริง mm hmm. เวลาที่เราเข้าสมาธินี้ความคิดว่ามีตัวเราตัวกูของกูมันก็หายไปเ mm hmm. หลือแต่ความว่างเหลือแต่ความรู้เหลือแต่ผู้รู้อย่งนี้รู้เฉยๆ mm hmm. เห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นไปอันนี้แหละคือที่เกิดของปัญญาที่จะได้รู้ว่า mm hmm. สิ่งแตกต่างที่เราคิดกันนั้นมันเป็นเรื่องของความหลงนะนันไม่ใช่เป็นเรื่องของความจริงคุณจรัญญาขออนุ ญ, ญาตฝากถามค่ะปฏิบัติมาได้ระยะหนึ่งเห็นความแตกต่างของสมาธิและปัญญาในการระงับความอยาก เมื่อก่อนใช้สมาธิระงับปัญญาพบว่าทําได้เพียงชั่วคราวชั่วขณะเท่านั้นปัจจุบันพบว่ามีการพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนที่พระอาจารย์คร่ำสอนโดยเห็นร่างกายนี้เป็นธาตุดินน้ําลมไฟไม่ได้เป็นเราเป็นของเราโดยมีเหตุปัจจัยทําให้ธาตุสี่มารวมกันและเหตุปัจจัยนี้ค่อยๆลดลงร่างกายนี้จึงไม่เที่ยงเดินไปสู่การล่มสลายเป็นธาตุดินน้ําลมไฟตามที่เราเห็นอยู่บนโลกนี้ เราเข้าใจอย่างนี้เรียกว่าเป็นปัญญาใช่ไหมเจ้าคะและเราควรทาต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะบางทียมพิจารณาร่างกายเป็นท่าสีและอยากมองคนอื่นๆสิ่งอื่นๆเป็นท่าสีไปด้วยรู้สึกโล่งสบายใจดีเจ้าคะแต่ยังทาได้ไม่ต่อเนื่องยังมีความหวงโลกอยู่ยังชอบแบบเดิมๆอยู่ก็พยายามระลาึกถึงพระพุทธเจ้าเพื่อมีกาลังใจขึ้นมา กับขอบคุณค่ะก็ทำทำไปเจนกว่าเราจะปล่อยวางร่างกายได้ตลอดเวลาไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ว่าจะร่างกายจะเป็นอะไรจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่เราก็ไม่มีความกังวลกับมันไม่ทุกข์กับมันเมื่อเราไม่ทุกข์กับมันแล้วเราก็ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรแนละ้วเพราะเราปล่อยวางได้แนละ้วเราก็ไปแก้ความทุกข์อย่างอื่นที่ยังลงเหลืออยู่ในใจของเราต่อไป คุณสติวเอ็นหลงไปชอบคนอื่นพยายามจะปล่อยจะตัดใจพยายามนั่งสมาธิจะได้มีกําลังแต่ใจมันไม่ยอมปล่อยสักทีจะทําอย่างไรดีเจ้าคะาต้องฝึกฝ <c oughs> ึกสติให้มากๆฝึกสติเพื่อหยุดความคิดแล้วนั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิ <c oughs> เพื่อที่จะได้มีอุเบกขาพอมีอุเบกขาแล้วที่นี้เวลาออกมาเจออะไรก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าเป็นอนัตตา เป็นของที่เราห้ามไปบังคับเขาไม่ได้เขาจะทําอะไรเราไปสั่งเขาไม่ได้เราก็ต้องทําใจเฉยๆเพียง อ, อย่างเดียวจากคุณนัตตีบีนคนป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยควรวางอารมณ์อย่างไรไม่ให้หนักใจเสียใจมากเกินไปคะอย่าไปหวังอะไรความหนักใจความเสียใจเกิดจากความหวังความต้องการพอไม่ได้สิ่งที่เราหวังในสิ่งที่เราต้องการเราก็เลยเสียใจ ถ้าเราไม่หวังอะไรแล้วเราจะไม่รู้สึกเสียใจปล่อยให้ไปเป็นไปตามมีตามเกิดนีกว่าทำใจให้เป็นสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดเราจะไม่ทุกข์ใจจะไม่หนักใจจากคุณถาปกรณ์ <c oughs> ในระหว่างนั่งสมาธิแล้วเกิดเวทนาให้หยุดบริกรรมแล้วดูเวทนาหรือนั่งบริกรรมต่อครับบริกรรมจะดีกว่าอย่าไปสนใจกับความเจ็บที่ปรากฏขึ้นมา เพราะเราถ้าเราไปดูแล้วมันจะเกิดความอยากให้ความเจ็บมันหายไปแล้วมันจะทุกข์มากขึ้นแต่ถ้าเราไม่ไปสนใจความเจ็บอยู่กับคำบริกรรมเราลืมความเจ็บไปความอยากให้ความเจ็บหายไปก็จะหายไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปก็จะทำให้ใจเรารู้สึกเฉยๆกับความเจ็บได้ไม่เดือดร้อน คำถามจากเฟ e b ุ o k ค่ะทั้งๆ ท, ที่ปล่อยวางเรื่องเงินทองราบยศสนเสริญได้แล้วแต่ทำไมยังปล่อยวางเรื่องความสวยงามไม่ได้สักทีเห็นผมงอกหรือหน้ามีรอยเหี่ยวย่นก็ต้องกังวลแล้วต้องพิจารณาอะไรถึงจะปล่อยวางได้คะก็พิจารณาว่าร่างกายมันต้องแก่แล้วก็ไปดูคนที่เขาเมื่อก่อนเขาก็เป็นเหมือนเราแต่เวลานี้เช่นพ่อแม่เราปู่ย่าตายายเราเมื่อก่อนเขาก็เป็นเหมือนเรา แต่วันหนึ่งเขาก็ต้องเป็นอย่างที่เขาเป็นอยู่ในขณะ น, นี้เราก็ต้องเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันไม่มีวันที่เราจะไปห้ามมันได้เห็นต้องยอมรับความจริงว่าร่างกายของคนทุกคนก็ต้องเดินทางจากหนุ่มสาวไปสู่ความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายในที่สุดเห็นพยายามมองคนแก่บ่อยๆมองคนเจ็บไข้ได้ปว่วยบ่อยๆมองคนตายบ่อยๆแล้วก็บอกว่านี่แหละคืออนาคตของเรา นี่แหะคือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับร่างกายของเราพอดูบ่อยๆแล้วมันก็จะได้ยอมรับได้ว่ามันไม่มีทางเลยมันต้องเป็นอย่างนี้คําถามจาก Facebook ค, ค่ะเวลาฟังธรรมหรืออ่านหนังสือจะเห็นกายชัดเช่นหัวใจเต้นปลายนิ้วเต้นตรงกลางของขยับต้องทําอย่างไรต่อไปคะหรือแค่รู้เฉยๆอย่าไปสนใจเวลาทําสมาธิก็อยู่กับลมหายใจไป หรือพุโทโธไปส่วนจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะถ้าไปสนใจแล้วเราจะเสียสมาธิแล้วเราจะนั่งต่อไปไม่ได้ <c oughs> จากคุณพุโทโธเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าตอนนั่งเฉยๆกับนั่งสมาธิเห็นความคิดตัวเองเดี๋ยวไปคิดนู่นไปนี่ผมบริการพุโทโธไปแล้วก็คิดอีกจะฝึกยังไงให้จิตเชื่อครับ เราต้องพุโทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะคิดหรือไม่คิดเพราะช่วงแรกๆพุโทโธเรามีกำลังน้อยมันก็จะมีการคิดมาแทรกอยู่เรื่อยๆแต่เราก็ไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธไปต่อไปพุโทโธเรามีกำลังมากขึ้นมากขึ้นต่อเนื่องมากขึ้นความคิดต่างๆก็จะน้อยลงไปแล้วก็หายไปได้ในที่สุดแล้วเลยัามสร็นาที การปฏิบัติช่วงแรกๆมันก็ยังเป็นการต่อสู้กันอยู่ระหว่างความคิดกับพุทโธเราพุทโธไปมันก็มันก็คิดกลับมาว่าพุทโธเรายังไม่ต่อเนื่องยังไม่ถี่พอเห็นแล้วต้องพยายามทําไปเรื่อยๆมากๆแล้วต่อไปมันก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปความคิดต่างๆเชิญถามได้เลยกราบนมันสการพระอาจารย์เจ้าค่ะสิทธิ์อยากถามว่า เวลาทำสมาธิพุโทโธพุธโทโธจิตนิ่งจิตนิ่งเสร็จแล้วจิตเข้าผวังทีนี้า<อ>การเข้าผวังเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไหมเจ้าค่ะก็แล้วแต่ว่าเป็นผวังไหนมันมีสองผวางผวังรู้กับผวังหลับค่ะถ้าอยู่ในถ้าอยู่ในผวังรู้ก็ดีถ้าจิตนิ่งถ้าเป็นผวังจริงจริงก็ดีแต่เราจะมันถ้ามันเป็นผวังจริงมันจะไม่คิดอะไรเจ้าค่ะแล้ว การเข้าผวังได้ทุกครั้งต้องวางอุเบกขาใช่เจ้าคะอุเบกขามันอยู่ในผวังไม่ต้องไปวางมันมันจะเฉยเวลาจิตนิ่งสำหรับเป็นผวังจริงๆมันจะไม่รับชังกลัวหลงก็พยายามให้มันอยู่ในผวังนานๆเมื่อจิตออกจากผวังแล้วก็บริกรรมต่อพุทโธพุทโธก็อยากถ้าอยากจะกลับก็ไปใหม่ก็บริกรรมพุทโธใหม่แล้ว หลังจากออกจากภวังถ้าไม่กลับมาบริกรรมใหม่จิตออกจากสมาธิแล้วมาพิจารณาให้เกิดปัญญาเนี่ยโยมอยากสอบถามว่าโยมควรพิจารณาสิ่งไหนเจ้าคะ่ะก <sh> ็สิ่งที่เรามีเช่นของต่างๆข้าวของเงินทองต่างๆว่ า, า, ามันเป็นของไม่เที่ยงวันใดวันหนึ่งมันก็อาจจะจากเราไปก็ได้บุคคลต่างๆที่เรามี อ, อยู่ใกล้ชิดกับเรา ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันพิจารณาของภายนอกก่อนถ้าเราปล่อยของภายนอกได้ไม่กังวลไม่เดือดร้อนกับการพัดพากจากกาันจากสิ่งตา่างๆแล้วก็มาพิจารณาร่างกายเรามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันร่างกายเราสักวันหนึ่งก็ต้องแก่ ต, แกต้องเจ็บต้องตายเราจะตายแก่เจ็บเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อาจจะตายวันนี้ก็ได้ดเราพิจารณาต้องทําใจเตรียมพร้อมรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงการสูญเสียได้ ทุกขณะทุกเวลานะคะโยมจะสอบถามอีกนิดนึงนะเจ้าคะ่ะการที่โยมปฏิบททัติทุกวันทุกวันทุกวันกับการที่โยมมาวัดแล้วปฏิบัติครั้งละประมาณสามวันเจ็ดวันอย่างเข้มข้นอย่างเงี้ยแบบไหนดีกว่ากันเจ้าคะ่ะก็ต้องสองอย่างทั้งสองอย่างมันไม่ใช่อย่างไหนดีกว่าอย่างนั้นอยู่บ้านก็ต้องปฏิบัติมาอยู่ที่วัดก็ดีเพราะมันจะได้เข้มข้นมากขึ้น กลับไปบ้านก็ปฏิบัติต่อเท่าที่เราจะปฏิบัติได้เพราะเรายังอาจจะมีภาระการงานต่างๆที่ต้องทำอยู่เราก็ทำได้น้อยแต่พอเรามีเวลาว่างเราก็ไปอยู่ที่วัดได้ก็ไปอยู่ที่วัด<ฮ>จะได้ปฏิบัติอย่างเข้มข้นต่อไปต้องทำอย่างต่อนื่อย่าขาดตอน<ะ>มากน้อยก็ต้องทำไปอยู่บ้านทำน้อยหน่อยพอมีเวลาก็ไปอยู่วัดก็จะได้ทามากหน่อย มันขับรถเนะ่บางทีก็รถติดบางทีก็รถถนนก็ว่าง<ม>รถติดก็ไปช้าหน่อยก็ขับไปเรื่อยกว่าจะช่วงไหนที่มันโล่งก็ขับเร็วได้หน่อยอย่างนี้ต้องขับไปเรื่อยๆอย่าหยุดก็แล้วกันแล้วสมมติว่าถ้าโยมแบบจะปฏิบัติแบบเขาเรียกว่าโกนหัวบวชชีไปเลยแล้วอยู่ที่วัดสักเดือนสองเดือนสามเดือน กับไม่ต้องโกนเพื่อที่จะไปทำงานต่ออย่างเงี้ยมันมันมีความแตกต่างกันไหมเจ้าค่ะคือคนที่โกนนี่หมายถึงเขาไม่กลับไปแล้วถ้ายังกลับอยู่ก็โกนแล้วไม่โกนมันก็ไม่ต่างกันเพราะมันอยู่ที่การโกนแล้วไม่โกนมาอยู่ที่กลับหรือไม่กลับพะอ่างนัค่ะถ้าไม่กลับแล้วคุณรู้จะกเก็บไว้ทำไมผมมันเป็นภาระลกลุงลังหรอต้องคอยคอยคอยหวีคอยดูแลอยู่ ต้อง เ, เสียค่าใช้ใจ่ายค่าแชมพงแชมพูอะไรข่าหวงข้าหวีนตถ้าไม่มีก็เสียแค่ใบามีดโกนใบเดียวเดือนทั้งเลยแล้วมันสบายไม่ต้องมาคอยกังวลคอยหวีผมคอยจับผมอะไรต่างๆสําหรับคนที่ไปไม่กลับเขาก็<ม>เขาก็อย่ากโกนนะดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง<ม>แต่ถ้ายังไปแล้วต้องกลับมาทํางานต่อก็อาจจะต้องเก็บไว้ก่อนเพราะเรายังไม่ได้ไปแบบ ถ้าววอนเนี่ยยังตัดไม่ขาดตัดได้เป็นพักๆเป็นข้าวๆไปถ้าตัดขาดแล้วก็ไปแล้วก็ไม่กลับนทีนี้ก็โกรธจะจะสบายกว่าในวัตการนะคะอาารมีท่านอยูข้างหลังครับกอกลับในวัตการอาจารย์ครับ อาจารย์ครับผมอยากทราบคําว่าจิตผู้รู้ครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าตรงนั้นเป็นจิตผู้รู้ครับตอนนี้เรารู้รูเรื่องที่เราพูดแล้ว่านั่นแหละคือรู้นั่นแหละก็คือจิตอ๋อแค่นี้ใช่ไหมครับอขอบคุณครับแต่ในจิตนี้นอกจากรู้แล้วมันมีปุงแต่งได้ด้วยอันนั้นเป็นความคิดอีกตัวหนึ่งคนละตัวกับตัวรู้แต่อยู่ในจิตด้วยกันจิตนี้หลายหน้าที่ทํางานได้หลายหน้าที่ด้วยกัน มีทั้งรู้มีทั้งคิดมีทั้งจําได้แล้วก็มีทั้งรู้สึกความสุขความทุกข์มันสุขไหมทุกข์แล้วก็มีการไปรับนูนูบเสียงกลิ่นรสที่มาทางตาหูจมูกมือกายได้ด้วยอันนี้คือคุณสมบัติเือความสามารถของจิตเรื่อคือมีนามขันมีเวทนาคือความรู้สึกเวทนาสัญญาก็คือความจําได้สังขารคือความคิดตุ้มแต่ม วิญญาณก็คือการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่สัมผัสตาหูจมูกนิ้นกายแล้วก็มีตัวรู้รู้เรื่องรับรู้เรื่องเหล่านี้อีกทีงรู้ความรู้เวทนารู้สังขารรู้สัญญารู้วิญญาณตัวอยู่ในจิตเาทั้งหมดดีีกมคำถามจากเฟ b o o k กมาอยู่ที่อาจารย์จากคุณถาปะกรณ์ ลมหายใจหยาบแตกต่างกันอย่างไรกับลมหายใจละเอียดครับมันก็มันเบาก่ามันมันไม่เบาอ่ะเวลามันเวลามันไม่เบามันก็หยาบเวลามันเบาแล้วก็จะรู้สึกว่ามันละเอียดไปจากคุณท่าสี่ขันห้าการเดินจงกรมกับการนั่งสมาธิต่างกันอย่างไรครับต่างในในเริยาบท้านั่งกับท่าเดิน แต่ทางการปฏิบัติไม่เหมือนกันคือต้องมีสติทั้งในขณะที่เดินหรือ ข, ขณะที่นั่งเช่นเวลาเดินเราก็พุโทโธพุโทโธไปเวลาเรามานั่งเราก็พุโทโธพุโทโธต่อครับเมื่อกี้น้องก็ถามครับเรื่องกิจกับการรู้อะไร เ, น, เนี้ครับผมอยากรู้ว่าการรู้กับรู้รู้จากปัญญากับรู้รู้สึกเนี่ยมันต่างยังไง ก็มันเป็นความคิดอย่างปัญญาก็เป็นความคิดอย่างหนึ่งแล้วความหลงก็เป็นความคิดอย่างหนึ่งปัญญาคือเป็นความคิดที่ตรงกับความจริงเช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกเนี่ยอันนี้เป็นความจริงเ้าเรียกว่าปัญญาแต่ถ้าไปอีกคนมาคิดว่าพระอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นทางทิศตะวันออกมันขึ้นทางทิศตะวันตกอันนี้ก็เป็นความหลงมันมันมีความแตกต่างหรือสามารถแบบ ตัวไหนที่บ่งชี้ได้ว่านี่คือความรู้จากความจริงความรู้จากปัญญาที่เราได้สั่งสมประสบการณ์อะไรมาเ น, เนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ไปเรื่อย เ, อยเป็นสิ่งที่ตอนต้นเราไม่รู้เราก็ต้องเรียนจากผู้รู้ก่อนเช่ง ท, ทางศาสนานี้ให้เรารู้อ น, นิจจังหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เรื่ร่างกายเกิดแล้วก็มีการเจริญเติบโตแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายอันนี้ก็เป็นความจริงแต่บางทีเราลืมเราไม่คิดถึงมันเราก็เลยไปคิดตร ง, ง, งกันข้ามคิดว่าร่างกายเราจะอยู่ไปเรื่อยเราคิดว่าร่างกายเราจะแข็งแรงเป็อ น, นี้ไปเรื่อยใช่ไหมแต่วันหนึ่งเดี๋ยวก็เจอโรคขึ้นมาเห็นไหมหมออายุไม่กี่ปีก็อยู่ๆก็เป็นมะเร็งปอดขึ้นมาได้แต่ถ้าคิดอยู่บ่อยๆก็จะไม่ตกใจ ที่ว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาของน่างกายไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเจ็บใข้ได้ป่วยขึ้นอันนี้ให้คิดอย่างนี้เพื่อจะได้เตรียมตัวเพราะกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนกับพระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนผู้ปยากรอากาศเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวอันี้สองวันนี้ฝนจะตกหนักนะยีบ่บสองถึงยี่สิบสี่เตรียมตัวไว้เตรียมตัวขนของขึ้นที่สูงถ้าน้ำมันจะท่วม อันนี้ก็เมือการพระพุทธเจ้าก็บอกให้เราประยากรณ์ชีวิตของเราว่ามันจะต้องแก่นะมันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะต้องตายมันจะต้องมีการพลาดพลาจากกันให้เตรียมไว้ก่อนเผื่อเวลาพอมันมาจะได้ไม่ไม่ตกใจไม่ทุกข์เพราะเราได้มีวิธีรับกับมันได้วิธีรับก็คือยอมรับความจริงนั้นถ้าเรายอมความจริงไม่ยอมไม่ต่อต้านเราก็จะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้น แต่มันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้นี่คือปัญญาทางศาสนาบทีถ้าเปิดความคิดทางทางโลกเนี่ยก็คือมันสวนทางกับบางอย่างก็สวนทางบางอย่างก็ไม่สวนทางวิทยาศาสตร์มันไม่สวนทางวิทาศาสตร์มันก็ตามความเป็นจริงแต่มันเพีงแต่ส่วนของร่างกายส่วนของต้นไม้ใบหญ้าต่างแต่ทั้งส่วนทางจิตใจเขาไม่รู้ เราไม่รู้ว่าจิตใจของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงได้มีดีใจเสียใจได้และบางทีก็ควบคุมมันไม่ได้ครับจะให้มันดีใจไปทุกวันก็ไม่ได้ดัง น, นั้นอันนี้เขาไม่รู้กันทางโลกนม่ร้เพราะเป็นจิตศาสตร์รต้องศึกษาเป็นวิชาแยกออกมาจากทางโลกทางโลกไม่ค่อยไม่รู้เรื่องจิตเท่าไหร่ยังไม่มีใครสอนเรื่องจิตตศาสตร์กันเรามาศึกษาทางธรรม ัอีกกับถามนะครับคือผมเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ซึ่งจะสอนเรื่องความน่าจะเป็นอะไรแบบนี้ครับแล้วก็สอนอาจจะเล่นเหมือนเป็นไพ่เพื่อเกมไปสู่ความน่าจะเป็นอะไรแบบนะี้ยแต่เราเราพยายามสอนว่ามันไม่ควรเล่นการพนันอะไรแบบนี้ครับมันมันมันจะผิดศีลผิดอะไรไหมคคือการเล่นการพนันนี้มั น, ม, นมันมันมีโทษตามมาเพราะถ้าเราไปยึดเป็นอาชีพไม่ใช้ล้วเร็วก็วาอาจจะหมดเนื้อหมดตัวได้เพราะการพนันมันก็ไม่มีอะไรแน่นอน นอกจากเราโกงเก่งโกงไม่ดีถ้าเขาจับได้เขาก็เขาก็จับเราไปลงโทษแล้วฆ่าเราไปแต่เราเป็นคนสอนนี้เราแต่เราสอนความรู้แบบนี้ถือว่าไม่ผิดใช่ไหมครับก็เป็นความรู้ที่ไม่คนสอนไม่ผิดแต่ไม่คนสอนเพราะมันเป็นมันเป็นโทษกับคนที่ไปเรียนรู้คือเ ร, เราไม่ได้สอนเขาเล่นกบบนารันต์เราสอนให้เขารู้ว่า ถ, ถ้าท่านแล้วความน่าจะเป็นคุณจะแพ้เขามีแน่แน่อยู่แล้ววันเนี้ได้ไหมครับยังไงนะคือความน่าจะเป็นสึงว่าเล่น แทงหวยเนี่ยความน่าจะเป็นคุนหนึ่งในในร้อยล้านแล้วเนี่ยซึ่งโอกาสน้อยมากแลเนี่ยไม่ไม่ควรเล่นอะไรมถ้าสอนให้เขาเพื่อไม่เล่นเนี่ยดีแต่ถ้าสอนให้เขาไปเล่นน่ไม่ดีครับโอเคครับขอบคุณครับคุณผู้หญิงต่อเลยครับนมักยการะคะ่ะเต้นเต้น่ง <laughs> คื อ, อคือหนูปฏิบัติก็มาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะ ก็คือใช้วิหารธรรมในการในชีชวิตประจำวันดูกายดูใจทำงานแล้วมีวันหนึ่งเกิดภาษาะระหว่างาแฟนนะคะแล้วก็ที่มันมันเป็นภาษาที่เราไม่พอใจอในขณะที่เราแบบทำงานอยู่มันก็จะเห็นตัวเนื้ตัวหนึ่งนะคะพาอาจาย์ที่มันเหมือนเราบีบ เหมือนมันเราบีบลูกโป่งอะค่ะแล้วอมันก็ดันขึ้นนะคะพุ่งขึ้นแล้วมันก็หนูก็เห็นว่าในจุดนั้นมันเป็นจุดที่พุ่งขึ้นสูงสุดแล้วก็เหมือนกับเราเหมือนกับว่าเบิดน้อยใจเขาว่าเออเราทําอะไรแล้วเราก็คิดว่าเราทำดีที่สุดนะแต่ทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันเหมือนหนงเห็นความคิดหรือว่าเป็นส่วนขาสังขารปรุงแต่งนะคะแล้วสักพักหนึ่งมันก็แบบเห็นความคิดแล้วมัน บูบลงแล้วกระดับอันนี้มันคืออาการอะไรคะก็เป็นอาการของจิตปรุงแต่งใช่ไหกแล้วก็อีกการการนึงก็คือสติที่รู้เห็นสิ่งเหล่านี้บางคนไม่เห็นมองวินใจพอโกรธทายเข้าไปมองคนที่เรากโกรธอันนี้คือเป็นผลที่เกิดจากการเราจเจริญสติอยู่เรื่อยๆ ท, ที่ทำให้เราเห็นตัวปัญหาที่อยู่ในใจไม่ใช่อยู่ที่ข้างนอกแต่ถ้าไม่ถ้าเราไม่เคยฝึกเราจะมองที่ข้างนอกเราจะโทษคนข้างนอก อันนี้คือถ้าเรามองในมุมหนึ่งก็คือเราจะเป็นมองเป็นวิปัสสนาก็ได้ใช่ไหมคะพายาถ้าเราถ้าเราหยุดมันได้ก็เป็นวิปัสสนาถ้าเราทำให้มันสงบได้ก็เป็นวิปัสสนาค่ะแล้วก็มีอยู่ช่วงที่ว่าช่วงออกพรรษานะคะหนูไปปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วก็ช่วงกลางคืนเหมือนกับว่าในระหว่างวันเนี่ยเราจะอ่าจเิก เดินจงกลมแล้วก็นั่งสมาธิทั้งวันนะคะแต่พอตกกลางคืนมาแล้วมันนอนไม่หลับนะคะเหมือนจิตมันตื่นในความรู้สึกค่ะ<ม>แล้วก็จะเห็นอีตัวที่แปลว่าตัวเห็นตัวเองนอน<ม>แต่ว่าเป็นเหมือนเป็นโครงกระดูก<ม>ค่ะแล้วก็จะเห็นเหมือนช่วงฟันข้างบนเนี่ยค่ะเป็น เป็นกระดูกอะคะอันนี้หนูเข้าใจถูกไหมคะเราต้องเจรณาสุภาพอยู่ก็ต้องพยายามเจริญบ่อยๆให้เห็นบ่อยๆและเห็นไม่ใช่เพาะตอนที่เราอยู่คนเดียวต่อไปต้องมองคนตั้งหลายเหมือนกันหมดค่ะโดยเฉพาะแฟนเราค่ะมันจะได้ไม่มีความอยากที่จะอยู่กับแฟนนี้ต่อไปค่ะแล้วก็ เวลานั่งสมาธิเนี่หนูข้ามเวทนาไม่ได้ค่ะพระอาจารย์เพราะเรายังไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากอย่าไปสนใจให้กลับมาที่พุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจมันพอเราไม่ไปสนใจมันแล้วความอยากให้มันหายก็ไม่เกิดความทุกข์ทรมานก็ไม่เกิดเราก็จะอยู่กับมันได้เราไปห้ามมันไม่ได้เราไปดับมันไม่ได้แต่เราเราดับความทุกข์ทรมานใจของเราได้ตรงนี้รุนแรงกว่าความความเจ็บทางร่างกาย ถ้าเราดับความทุกข์ทรมานที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บมันหายไปได้ใจเราก็จะเฉยแล้วก็จะอยู่กับความเจ็บได้คพะฉนั้นต้องขยันพุทธโทธพุทโธเวลาเกิดความเจ็บขึ้นมาหรือส่วนมลไปก็ได้ส่วนอิติปิโซไปก็ได้โอเคนะโอเคอันนี้ถ้า ม, มีใครอยากถามมากคุณน้อยอ่ะ วันนี้ทางบ้านก็คงจะขอขอไว้เพียงเท่านี้นะเพราะใกล้เวลาจะหมดนะี่ยหลวงพ่อเจ้าคะเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าเข้าพวังรู้เนี่ยจะไม่คิดนะเจ้าคะแต่ว่าเข้าพวังหลับก็ไม่คิดเหมือนกันเจ้าคะ่ะก็ไม่แน่ถ้ามันคิดก็เป็นความฝันเวลาฝันนี่แสดงความคิดเป็นทํางานตัวที่ทําให้เกิดความฝันก็คือความคิดกับสัญญาของตัวสัญญาสังขงญญารทำแต่บางทีเราก็ไม่ได้ฝันทุกคืน บางทีมันก็ขี้เกียจมันก็นอนมันเหนื่อยบางทีมันก็ไม่ฝันเรื่องว่าถ้าเราฝึกสติมากๆก็ฝันน้อยกว่าคนที่ไม่ฝึกสติชคนที่เข้าฌานเข้าสมาธิได้ท่านจะไม่ค่อยไม่ค่อยฝันเท่าไหร่แต่ก็ยังมีบ้างบางโอกาสแต่ว่าหนูนั่งสมาธิที่ทุกทีถ้าเข้าผวังรู้เนี่ยจะจะรู้ ตลอดต่อเนื่องเจ้าค่ะแต่ถ้าพรางหลับก็คือว่ามันก็จะหายไปเป็นชั่วโมงแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็รู้ว่าเราหลับหลับไปก็คือเข้าผิดช n e l ไปเลยคนช่องกันก็แสดงว่าถ้าเราฝึกสติแน่นๆดีๆแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ต่อเนื่องตลอดสายใช่ไหมเจ้าค่ะไม่เวลาหลับก็สติก็หยุดเหมือนกัน อ๋อนะถ้าเข้าพวังหลับก็คือไม่คิดสติไม่ไม่มีทั้งคู่ไม่มีทั้ทงคนที่เคยปฏิบัติแล้วกับคนที่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติเหมือนกันตอนหลับเหมือนกันแต่ต่างตรงที่ว่าฝันมากฝันน้อยต่างกันฝันดีฝันร้ายต่างกันแต่เข้าพวังก็ไม่ก็ไม่คิดทั้งสองแบบ ถ, ถ้ามีคามอยู่พวังสมาธิพวังรู้มันก็จะไม่คิดแต่มันอยู่ไม่นานอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วมันก็ถอนออกมา แต่ถ้าพอวางหลับนี่มันหลับได้นานมากอ๋อเจ้าคะหมายถึงว่าถ้าถ้ า, ถ า, ถามาอีกทีชั่วโมงหนึ่งคือเราหลับไปแล้วเราได้รับคิดว่าหลับแค่สิบนาทีแล้วดูว่าสามชั่วโมงผ่านไปยังไงมันใกล้เกินมากเลยนะเจ้าคะตอนใช่แนละ้วระหว่างสติ ก, ก็ไม่มีสติเป็นอย่างไงแต่พอพอนั่งไปกัางคืนเนี่ยมันมันก็จะแยกได้ว่าโอเคถ้าเรารู้รู้อยู่กับความว่างเนี่ค่ะไม่มีเราละ เราก็จะรู้ว่าโอเคเรามีสมาธิตรงเนี้ยแต่พอนั่งอี ก, อกแบบหนึ่งคือนั่งสวดวนไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะมีความสุขสวดวนไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเงียบไปเลยเจ้าค่ะเงียบไม่มีเราละไม่ฝันไม่คิดแล้วมาอีกทีเอาห้าทุ่มครึ่งละอุ๊ยทําไมฉันหลับไปนานขนาดนี้เจ้าค่ะนั่นแหละเวลาหลับแล้วมันเวลามันรู้สึกผ่านไปเร็วแต่มันไม่ได้คิดนะเจ้าค่ะนั่นแหละคิดไม่คิดก็ไม่สําคัญอย่งนั้นก็ไม่ได้สมาธิเหมือนเดิมไม่ได้สมาธิ ต้องรู้สึกตัวต้องรู้สึกตัวตอนนั้นก็มีอยู่เบรคขาเจ้าค่ะกราบขอพระคุณด้วยค่ะมีใครอยากจะถามอนึ่งไหมกาบเข้ามาอ่ะอีกนิดนึงสิค่ะทำนมัสการอีกรอบเจ้าค่ะเออบางทีโยมโยมอ่ะนั่งสมาธิเป็นประจำแล้วทีนี้เวลาทํางานน่ะเจ้าค่ะ ไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการหรืองานอะไรเนี่ยโยมจะเหมือนตบลูบของเวลาเช่นโยมคิดว่าโยมทําแค่ยี่สิบนาทีแต่โยมเงยหน้ามาดูนาฬิกาอีกทีหนึ่งมันหมดเวลาไปประมาณสามชั่วโมงอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ความเพลิดเพลินมันทําให้เราลืมเวล่ำเวลาได้คนเราเวลามีความสุขมีความเพลิดเพลินกับอะไรเวลามันจะรู้สึกผ่านไปเร็ว<ม>เวลามีทุกข์ที่รู้สึกว่ามันผ่านไปชา้าเหลือเกิน ยปนความรู้สึกของเราเท่านั้นแต่เวลามันก็เท่าเดิมเวลามันไม่หยุดมันไม่วิ่งเร็วขึ้นหรือช้าลงมันก็เท่าเดิมของมันแต่ความรู้สึกเราของเราที่มีต่อเวลามันมันต่างกันคือเหมือนตกหลุมอยู่ในเหมือนตกหลุมของเวลาอย่างงี้เจ้าค่ะไม่หรอกตกหลุมอยู่กับเรื่องที่เรากาลังทำอยู่กำลังเพื่อทนอยู่กับงานที่เราทำอยู่เลยลืมเลยลืมเวลาไป อมองเวลาทีเอ้ามันผ่าไนไปทำงานแล้วแค่นั้นเองไม่มีอะไรไม่ไม่ไม่เป็นประเด็นสําคัญอะไรไม่ได้เกี่ยวกับสมาธิใช่ไหมเจ้าค่ะก็มีสมาธิอยู่ในการทํางานเท่านั้นไม่มีสมาธิดี๋ยวก็จะมองเวลาเรื่อยแค่นั้นงแต่เป็นสมาธิไม่ใช่เป็นสมาสมาธินะนอะไรสมาธิต้องหยุดต้องไม่ทําอะไรเลยอันนี้เป็นสมาธิกับการทารายยํางานปละเรียนกันแล้ค่ะ คุณม้ายังถามไหมครับคุณม้าหมอพ่อใหญ่อยากให้หลวงพ่ออธิบายความสัมพันธ์ของตัวรู้กับสังขารครับหลวงพ่อปฏิสังขารมันทำงานด้วยแบบอรตโตเมติกไหมฮะแล้วว่ ตัวรู้ต้องไปสั่งมันนะว่ามีบางครั้งที่มันสั่งบางครั้งที่ไม่สั่งอ๋อมันเป็นเหมือนโมเมนตัมอะมันมีโมเมนตัมมาคอยดันมันเรื่อยๆใคยคิดแล้วมันก็เป็นจัตตัวเป็นเหมือนรถอะพอมันวิ่งแล้วมันก็จะวิ่งของมันอยู่เรื่อยๆแต่เราสามารถเปลี่ยนโมเมนตัมนี้ได้ด้วยการใช้สติหยุดมันแต่เราหยุดมันไม่ได้ตลอดพอสติแล้วอ่อนปั๊บมันก็ไหลต่อไป แต่สิ่งที่เราต้องการไม่ต้องการจะหยุดมันตลอดเท่าแต่เราต้องการจะผลักให้มันคิดไปในทางที่เป็นสัมมาสังกปร์ให้มันไปคิดทางอนิจจังทุกขังอนัตตาคิดทางตายรักคิดทาง อ, อสุภะอย่าให้มันไปคิดทางลาบยศสรรเสริญสุขนั่นเองพอมันคิดไปทางธรรมแล้วมันจะคิดไปทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เป็นปัญหาเลยเอโอเคนะ